กับเาพระมหาภัยบู์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกลับมาพบกับท่านบูฟังอีกครั้งหนึ่งเป็นรายการธรรมะที่นําธรรมะมาให้ท่านบูฟังฟังธรรมะนี้แน่นอนเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ประกาศอาไว้ประกาศไว้เมื่อหลายพันปีแล้วเสียงที่ประกาศไปในทตำฟังมันยังสะเดือนเลื่อนลั่นอยู่จนถึงทุกวันนี้ เราได้ยินเสียงสวดมนต์ที่ไหนอ่านหนังสือธรรมะที่ไหนได้ยินใครพูดเทศอะไรต่างๆที่ไหนนั่นแหละคือเสียงธรรมะที่พระเจ้าประกาศเอาไว้ครั้งแรกณที่ป่าอิสิปตนะมฤคตยวันเป็นเสียงเดียวกันคือถ้าไม่มีเสียงนั้นที่ป่าอิสิปตนะมฤคตยวันไม่มีการประกาศธรรมะที่ตรงนั้นไม่มีการหมุนธรรมจักณ์ณที่นั่นก่อน จะไม่มีเสียงธรรมะทุกวันนี้ข้าพเจ้าจะมาพูดกับท่านฟังไม่ได้เลยมันจะไม่มีข้อมูลอะไรมาพูดพระรูปไหนฆราวาสคนไหนที่เขาจะอธิบายธรรมะนําเนื้อหาะอะไรต่างมานําเสนอเขียนเป็นหนังสือใส่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขาจะไม่สามารถทําได้เลยถ้าไม่มีวันนั้นเว้นวันที่เราควรจะต้องมาเลิกถึงการที่หมุนธรรมจักรครั้งแรกเรียกว่าวันอัสาร า, าบูชาในซึ่งอาาาัสสราห์เป็นชื่อของเดือน ก็เดือนนี้ก็เรียกเดือนอสาสสระหะวันเพนเดือนอัสาระหะก็คือเดือนแปนี่ละ่ะเป็นวันที่พระเจ้าได้ประกาศเสียงธรรมเอาไว้เป็นเสียงตีกลองแห่งอมาตะธรรมหลวงพ่าใช้คานี้บอกเรื่องนี้ไว้กับอุประชีวกตอนนั้นกําลังเดินทางจากที่เมืองขยาหลังจากที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆคิดแล้วว่าอ้าจะหมุนละจะประกาศธรรมจักละ ให้มันเป็นไปในทางที่ถูกล่ะแต่ัดสินใจแล้วว่าจะไปสอนเหล่าภิกษุทั้งห้าที่เคยอุปต่อุปธรรมกันมาในระหว่างทางนั้นเจออุปกาชีวกก็ได้บอกอุปกาชีวกว่าเอาจะไปสู่เมืองแห่งชาวกาสีเพื่อเผยแผ่ธรรมจักรในเมื่อโลกเป็นรากระตาบอดเราได้กระนำตีกลองแห่งอมาตะธรมแล้วก็คือตัดสินใจแล้วนว่าจะบรลลืลั่นธรรมะอันนี้ให้หมุนไปในทาง คำว่าจาักในที่นี้นก็หมายถึงธรรมะนั่นเองท่านฟังคือเป็นอาณาจักรอย่างประเทศของเราเนี่ยเขเรียกว่าอาณาจากักรราชอาณาจักรไทยถูกไหมเป็นอาณาจากักรเป็นกลุ่มคนกลุ่มก้อนใดกลุ่มก้อนหนึ่งที่ถ้าจะไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยเขาก็เรียกนิวะเป็นจกักในการที่จะทําให้มันไปได้กับหมุนไปจักก็คือกรงล้อ น, นั่นเองในที่นี้เนี่ยพระพุทธเจ้าประกาศธรรมะเนี่ยก็คือแจกแจงแยกแยะออกมาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ปกครองสงฆ์ท่านฟัง พระเจ้าเนี่ยไม่ได้ปกครองสงฆ์แต่ปกครองธรรมะจึงบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นธรรมราชาก็คือคุ้มครองโดยธรรมพอมีการคุ้มครองธรรมปกครองธรรมเป็นธรรมราชาแล้วเนี่ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับธรรมะก็จะได้รับการคุ้มครองการปกครองไปด้วยแต่ถือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธรรมะที่ ว, ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระุทธเจ้านะคือบางทีสาวกในธรรมะวิ น, นัยนี้ถ้าปฏิบัตินอกแนว ไม่ได้มีธรรมะในใจพระพเจ้าก็บอกว่านั่นไม่ใช่คนของเราคือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับธรรมะหมุนไปตามธรรมก็เรียกว่าหมุนตามธรรมบัจจ์ที่พระุทธเจ้าหมุนเอาไว้แล้วถ้าพระพุทเจ้าหมุนธรรมบัจจ์เอาไว้ครั้งแรกเป็นอย่างนี้ประกาศครั้งแรกที่ป่าอิสปตนนบมฤุไตวันหลังจากนั้นในช่วงตลอด45ปีแล้วก็มีการประกาศแยกแยะแจกแจงบัญญัติสิ่งต่างๆเพื่อให้ธรรมะนั้นมันสมบูรณ์แบบ การที่หมุนธรรมะอย่างนี้แล้วใครที่เกี่ยวข้องกับธรรมะอย่างนี้หนาะชื่อว่าคุณหมุนไปตามธรรมคนที่หมุนไปตามธรรมก็ชื่อว่าจะได้รับการคุ้มครองป้องกัน ร, รักษาพระเจ้าเปรียบเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิที่ปกครองพระราชาอีกทีหนึ่งคือพระราชาตามหัวเมืองต่างๆหรือในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะขึ้นตรงต่อพระเจ้าจักรพรรดิแตนะพระเจ้าจักรพรรดนี้ใหญ่กว่านะคือปกครองกษัตริย์อีกครั้งหนึ่ง การปกครองของพระเจ้าจักรพรรดิที่ปกครองกษัตริย์ด้วยธรรมะแทําทให้กษัตริย์เราตามหัวเมืองประเทศต่างๆมีธรรมะคนที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ตอนที่เขาอยู่ในบ้านนั้นเมืองนั้นเขาก็ได้รับการคุ้มครองรักษาป้องกันและเรากษัตริย์ที่เป็นหัวเมืองต่างๆเนี่ยติพุช้าเปรียบเทียมเนี่ยเปรียบเหมือนธรรมะที่โปร่งประกาศเอาไว้แต่คือพระเจ้าไม่ได้ปกครองสงฆ์แต่ถ้าสงฆ์เกี่ยวข้องกับธรรมะสงฆ์นี้หมายถึงอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีนะ ถ้าเราอุบาสอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีสมณพราหมณ์ต่างเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับธรรมะที่พระเจ้ า, าประกาศเอาวไว้ที่พระเจ้ า, าคุ้มกรองเอาไว้ที่พระเจ้ า, าแยกแยะเอาไว้ให้อย่างดีเขาจะได้รับการรักษาแต่เหมือนกับเราสมณพราหมณ์คนต่างๆที่อยู่ในบ้านในเมืองแม้แต่นกแต่สัตว์แต่กาแต่กวางเก้งพวกนี้อยู่ในบ้านเมืองก็จะได้รับการรักษาไปด้วยตามธรรมที่พระเจ้าจะกรพริบมอบให้กับเหล่ากษัตริย์ นะซึ่งในที่นี้กับเบรดเหมือนพระพุทธเจ้ามอบธรรมะมาให้นะปกครองธรรมะไว้อย่างดีแยกแยะแจกแจงให้รู้ให้เห็นเราเอามาทําตามตรงนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไปตามธรรมการตัดสินใจในการที่พระเจ้านั้นจะหมุนธรรมจักทำไมเขาถึงใช้กิริยาคําว่าหมุนอันที่พระพเจ้าเคยอธิบายถึงว่าวัฏ ต, ตะเนี่ยคือการหมุนใช่ไหมเป็นการหมุนที่ทวนกระแสเป็นการหมุนที่ให้ไปอีกทางหนึ่งก็เรียกปฏิวัติ นะปฏิว่าคือการหมุนไปในอีกทางหนึ่งซึ่งการหมุนไปในอีกทางหนึ่งแสดงว่ามันมีคนอื่นที่หมุนไปทางอื่นอยู่แล้วถูกต้องท่านผังตั้งแต่สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาบอกสอนธรรมะเนี่ยก็มีลัทธิความเชื่อความเห็นอะไรแตกต่างกันไปเนี่ยพูดถึงตั้ง62 อ, อย่างแตนะ่พูดง่ายๆคือมี62าศาสนาแล้วคําสอนนี้เขาก็ว่า ย, ยัางงี้เขาก็เชื่ออะไรอย่างนั้นเขาก็จะพยายามที่จะพาลูกศิษย์ลูกหากลุ่มคนเข้าไปทางนี้คือเขาก็จะหมุนไปทางนั้น ในกลุ่มหนึ่งก็มีคำความเชื่อคําสอนในลักษณะอีกแบบหนึ่งตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงก็มีแยกไปอีกแนวหนึ่งก็มีเขาก็จะพยายามพากลุ่มคนหมู่คนของเขาที่เชื่อเนี่ยหมุนไปตามการทางทางนั้นการหมุนไปทุกทิศทุกทางคนนั้นก็จะพาไปทางนี้คนนี้ก็จะพาไปทางนั้นแล้วก็จะมีขัดแย้งกันบ้างแล้วก็จะมีชนิดที่เรียกว่า เ, าเห็นไม่ตรงกันบ้างมีการทุ่มเตียงกันด้วยหอกคือปากบ้างแซึ่งมันเป็นทางตันทางตันก็คือไปได้อยู่แต่ไปแล้วตัน ไปแล้วไปต่อไม่ได้พระเจ้ า, าจึงมาหมุนใหม่หมุนไปทางนี้ก็เรียกว่าปฏิวัติแต่าการปฏิวัติของพระองค์ในครั้งนั้นก็คือไม่สามารถที่จะมีใครมาต้านทานให้หมุนกลับได้ต้านทานให้เป็นไปอย่างอื่นมาแย้งไม่ได้นเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะคัดง้างด้วยเหตุผลให้มันล้มไปได้่เพราะว่ามันมั่นคงมากนั่นคือเรื่องของอริยสัจสการประกาศเหตุผลการหมุนไปทางเนี้พระเจ้าเรียกว่า การบริวัติชนิดที่ทําให้กลับไม่ได้น่เป็นผู้ที่หมุนจักคือทำอันประเสริฐที่เทวดาเทพมารพรมหรือใครๆไม่สามารถต้านทานให้หมุนกลับได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาธรรมะในตำมฝังเวลาเราฟังธรรมเวลาเราอ่านหนังสือธรรมะเห็นธรรมะจากหน้าหนังสือพิมพ์หรือเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยให้มันนึกถึงเลยว่าไอ้ธรรมะที่เราเข้าใจที่เราเห็นที่เราอ่านที่เราฟัง ที่เรารู้สึกสัมผัสต่างๆอยู่ในใจผ่านตั้งหูทางตาเข้ามาเนี่ยมันถูกทําให้ขับเคลื่อนครั้งแรกที่ป่าแห่งหนึ่งที่เป็นที่พักของกระรอกแล้วก็เป็นที่พักของกวางเนื้อสายอยู่ที่ใกล้ๆเมืองาราณสีท่านอภิฟังบางท่านได้มีโอกาสไปที่นั่นก็จะเห็นเขาก็สร้างใจดีเอาไว้นะแต่ถ้าไม่ได้มีโอกาสไปเราก็ยังได้ยินเสียงธรรมนั้นอยู่ธรรมะที่ประกาศให้สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้ง3าโลกทั่วทั้งจักรภ พ, พเนี่ย เสียงนั้นก็ยังได้ยินมาถึงเราทุกวันนี้แต่เป็นเสียงธรรมะที่ออกทางวิทยุมาตามหนังสือมาทางคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆแเป็นเสียงเดียวกันเสียงนี้จะคุ้มครองเราได้เสียงนี้จะทําความสวัสดีให้กับชีวิตของเราได้เมื่อเราทําตามเสียงนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามนั้นเมื่อเราหมุนไปตามทางเดียวกันคนที่ไปตามทางเดียวกั น, นคือจักรเนี่ยนะท่านฟังมันหมุนไปอยู่ตลอดเวลาหมุนไปทางนี้ ทางไหนรุ่มลาดเอียงเทไปสู่นิพพานทางที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเวลาถ้าเราไปตามทางนี้นนเราจะดับทุกได้แต่คือถ้าพระุทธเจ้าแบบแสดงธรรมเฉยๆฟังแล้วก็น่าสนใจดีมีเหตุผลที่ฟังแล้วดูดีแต่มีความน่าเชื่อถือก็กจบไปแต่รุ่งก็รู้คนเดียวก็รู้ไปแล้วก็จบไปฟังแล้วก็จบไปแล้วก็เหมือนอย่างเราอ่านหนังสือนวัิยายนะมันก็สนุกดีมันดเออีเป็นลักษณะนั้น ก็ไม่เห็นช่วยอะไรชีวิตจะให้ดีขึ้นได้แต่ธรรมะมันไม่ใช่อย่างนั้นคนที่ฟังธรรมะครั้งแรกตรงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความที่ว่ามันสามารถช่วยให้บรรลุทําได้จริงๆมันสามารถช่วยให้พ้นจากทุกได้จริงจคือเราฟังแล้วมันก็สนุกหูมันก็เรื่องหนึ่งใช่แต่ใจก็ยังเต็มไปด้วยทุกข์อันนี้ก็แสดงว่านั่นไม่ใช่ธรรมะแต่ธรรมะที่แท้จริงเนี่ย ฟังแล้วนอกจากมีเหตุผลสมบูรณ์พร้อมแล้วยังช่วยทําใจของเราเนี่ยให้พ้นจากความทุกข์ได้อันนี้คือลักษณะธรรมะที่แท้จริงแนะซึ่งมีความแตกต่างเป็นลักษณะที่ทวนกระแสนะซึ่งแม้แต่พิสษุปัญจวัคคีย์ที่ฟังธรรมะก็เรียกว่าธรรมจักกับปวตนสูตรที่เรารู้เราเคยศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะฟังธรรมะครั้งแรกเนี่ยก็ยังรู้สึกถึงความที่มันเป็นเรื่องที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในสว่วนนั้นเลยละถ้าจะพูดก็พูดเถอ เนื่อากว่าสมัยนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อว่าสิ่งต่างต่างเนี่ยอิศวรบันดาลเทพเจ้าบันดาลพระชาบันดาลความสุขความทุกข์นี่คนอื่นทําให้แต่คือพระชาบันดาลความเชื realms, ่อในแบบนี้ก็ม <mak> ีหรือว่าเชื่อว่าความสุขความทุกข์นั้นเกิดขึ้นเองลอยลอยแตไม่มีใครบันดาลอยู่ๆก็เกิดขึ้นเองแต่พระเจ้าเนี่ยมาสอนใหม่มาหมุนใหม่มาประกาศใหม่มาทําความเข้าใจในทิศทางใหม่ให้เข้าใจให้ถูกว่าสิ่งพวกนี้มันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้น เหตุปัจจัยเหล่านั้นนไม่ใช่อีสวนไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่ผู้อื่นบิดาหรือไม่ใช่เกิดขึ้นเองลอยๆแต่เป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดจากเจ้าตันหานั่นเองตันหาเป็นเหตุของความทุกข์และตันหาอยู่ที่ไหนตันหาอยู่ในใจของเราตันหาอยู่ในใจทุกคนที่ยังมีตันหายู่เพราะฉะนั้นตันหานี่ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกตันหาไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีตัวตนมันมีตัวตนอยู่แต่มันไม่ใช่ของเรา แต่ถ้าเราเข้าใจความจริงข้อนี้อย่างดีท่านโกนธั ญ, ญะเข้าใจเป็นคนแรกเนี่ยความรู้ความเข้าใจตรงเนี้ยคือชื่อว่าเป็นพุทธิรู้แล้วเห็นแล้วความรู้ความเข้าใจตรงนี้จะทำให้เราบนจากความถูกได้ว่ตนณหาเ น, นมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะเก็บงํารักษาเอาไวา้แต่เป็นสิ่งที่เราควรจะละทิ้งไม่ถือเอาคือคนที่เคยรู้เคยฟังหรือว่าแม้แต่เคยสวดธรรมจักรกับประวัตินสูตรเนี่ย เราถ้าเข้าใจเนื้อความเนี่ยเนื้อความที่พระเจ้าสอ น, นมีความลึกซึ้งเนื้อพระองค์เนี่ยแยกแยะให้เราปัญจับวกิกีในคิบิสุ5รูปเนี่ยฟังก่อนว่าไอสิ่งที่ไม่ดีสุดโตงเขาเรียกว่าทำและตันนั่นเป็นทางตันอยู่สองข้าง2 ส, ส่วนคือ ก, การที่ประกอบตัวพัวพันอยู่ด้วยเรื่องของกามการที่ชุ่มอยู่ในกามการที่สแสวงหากามการที่เสพกามพวกนี้อันนี้แน่นอนพลุกพลูไม่ได้อันนี้แน่นอนยังจมปลักอยู่ในกองทุกอยู่ อันนี้คือทางที่1นึ่งแต่เรียกว่าเป็นทางตันส่วนอีกทางตันทางที่2ก็ชื่อว่าเป็นการทรมานตัวเองให้ลําบากระบเปรายอันนี้คิดว่าอาจจะพ้นทุกข์ได้แต่ก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะเป็นทางตันไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะตันเจ็บมากๆแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้มันมก็เจ็บได้แค่หนึง่งระดับหนึงน่งนี่กีเลกก็ไม่ได้ลดลงไปแต่ทางที่สานั่นเป็นทางที่ไปต่อได้จะไปถึงความดับไม่เลือกของถูกได้คนที่ เพิ่งเริ่มปฏิบัติอย่างท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่รู้จักโดยด้ยวยซ้ําว่าธรรมจักกะปะวตนสูตรนี้คืออะไรเนื้อหาเป็นอย่างไรแลนะเพิ่งมาฟังทำครั้งแรกแต่ก็เคยได้ยินอยู่ถ้าเราเคยได้ยินเสียงธรรมะนะั้เป็นเสียงเดียวกันท่านฟังในเวลาที่เราขยันธรรมะหากินรู้จักใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงดูครอบครัวอย่างดีมีความอดทนพวกนี้เป็นธรรมะทางสินีนเป็นทางสายเดียวกันนะเป็นทางสายเดียวกันแต่จะอยู่ทางต้นต้น แก็ค่อยๆไหลมาค่อยๆเดินมาบางคนที่ใกล้ๆจะออกทะเลแล้วก็มีคนที่ยังอยู่บนภูเขาอยู่ทางต้นน้ําอยู่ก็ยังมีก็ค่อยๆล่องเรือมาค่อยๆมาตามทางมาตามทางเดียวกันแต่คือทางสายนี้เรียกว่าทางสายกลางแต่ทางสายกลางไม่ได้อยู่ตรงกลางนะท่านฟังทางสายกลางเนี่ยไม่ใช่ระหว่างกลาง2อันนี้นะคือหมายความว่าบางทีฉันก็ทําตัวลำบากนิดนึงแล้วก็สบายๆนิดนึงเอามาแบ่งๆใช้กัน แต่บางจังหวัดฉันก็ลำบากบางจังหวัดฉันก็สบายเอางี้แหละน่าจะเป็นทางสายกลางไม่ใช่อย่างนั้นแต่ทางสายกลางเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทางที่สาพระพุทเจ้าให้ชื่อว่าทางสายกลางเนื่องเพราะว่ามันรอดออกไปได้มันไม่ไปสุดมันไม่ไปตานข้างใดข้างหนึ่งมันจะรอดออกไปการที่พระองค์ใช้คําว่ากลางเนี่ยก็หมายความว่าไม่ได้ชั้งสองนั้นคือถ้าบอกว่าเป็นทางที่สมเนี่ยมันก็เป็นาศาสนาที่63ขึ้นมาอีคนหนึ่งจะคิดยังไงก็เป็นาศาสนาที่64ขึ้นมา แต่ซึ่งในติทิความเห็นความเชื่อในสมัยนั้นเนี่ยมีทั้ง6กสอย่างซึ่งจะแบ่งก็อ่ะแบ่งได้เป็น2ส่วนนี่แหละแต่สุดตรงข้างหนึ่งกับสุดตรงอีกข้างหนึ่งซึ่งคําว่ากลางเนี่ยหมายความว่าไม่ได้ไปเข้าไปหาทั้งสองอย่างนี้แต่คือไม่ใช่ทั้ง2อย่างนี้ไม่ใช่เป็นทางที่3แต่เป็นอีกทางหนึ่งแต่เป็นทางที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย2อันนี้เลยแต่เป็นคนละทางไปเลยซึ่งทางที่เราเรียกว่าเป็นมัชชิมาปฏิปทาแต่คือก็ปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง ก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองแเรื่องของอริยสัจ ส, สีซึ่งถ้าเราทําความเข้าใจแล้วอย่างที่เราภิกษุ ป, ปัญจวัคคีได้เห็นได้ฟังในที่นั้นเนี่ยจะพบว่าเป็นเรื่องที่เราทําเองได้ไม่ใช่อีสุนบันดาลไม่ใช่อินบันดาลไม่ใช่พรมบันดาลไม่ใช่พระเจ้าบันดาลแต่เป็นสิ่งที่เราทําเราปฏิบัติได้เนะริ่มจากความทุกข์แต่ความทุกข์เนี่ยเราเห็นได้อยู่เป็นประจำความทุกข์ไม่ใช่ว่าให้เราหนีแต่ความทุกข์นั้นให้เราทําความเข้าใจ สิ่งที่เราเจออยู่เป็นประจำหลายหลายคนคิดว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะหนีทุกข์หนีทุกข์เดี๋ยวก่อนคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแต่คุณอยู่ในธรรมะวันนี้คุณบอกว่าคุณนับถือคำสอนองพระเจ้าแต่ยังบอกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อชี่จะหนีทุกข์เดี๋ยวเขาเข้าใจให้ถูกนิดหนึ่งก่อนว่าความทุกข์ไม่ได้ให้หนีแต่ความทุกข์นั้นให้ทําความเข้าใจเราอยู่กับความทุกข์เราต้องเข้าใจความทุกข์พระเจ้าพูดเรื่องนี้เอาไวตนานาน้ตั้งนานแล้วท่านฟังตั้งนานแล้วการกรํานะ ห, หนดเปิดนึง ฟังให้มันเข้าใจแต่ว่าความทุกข์ไม่ได้ ห, หนีแต่ความทุกข์นั้นให้ทําความเข้าใจความทุกข์พระเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่กวรรอบรู้คือก่อนที่เราจะไปรอบรู้ได้เนี่ยคุณควรจะต้องรู้ก่อนว่าความทุกข์คุณมีด้วยซ้ําเอาแน่นอนบางคนที่เจอภาษาที่ไม่น่าพอใจอันนี้เป็นความทุกข์อันนี้เข้าใจได้อยู่และในทางตรงข้ามบางคนเนี่ยไม่ได้เคยเจอเลยภาษาที่มีความทุกข์ทุกอย่างชีวิตชั้นสบายเติร์ตเจ้ามามีข้าวกินทํางานอย่างดีมีเงินมีทองใช้แล้วก็ มีความสุขทั่วๆไปธรรมดาใช่ไหมแต่นั่นแหละคือความทุกข์ที่เราควรต้องเข้าใจว่าอันนี้คือลักษณะความทุกข์ที่แฝงรูปมาเพราะว่าความสุขต่างๆที่เราเห็นที่เราได้สัมผัสที่รารับรู้ได้เนี่ยมันมันมีความเปลี่ยนแปลงไปได้มันมีความไม่เที่ยงรถยนต์ที่คุณขับแม้มันดีนะมันรูนะบางทีมันสตาร์ไม่ติดแต่บางทีมันชนหรือว่าห้องน้ํารูๆบางคนต้องใช้ส้วมมันเป็นหลายๆหมื่นอนะแค่ถ่ายทุกข์เงี้ยนะ แต่กดแล้วน้ำไม่ไหลมันก็มีนะอันนี้คือความทุกข์ที่เห็นได้ว่ามันแฝงมาในรูปของความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยเป็นความทุกข์ที่แฝงรูปมาเพราะว่ามันมีความไม่เที่ยงไอความรู้สึกที่เป็นสุขถ้ามันไม่เที่ยงมันคือความทุกข์ที่แฝงรูปมาในเรื่องของสุขเวทนาแต่เราต้องเข้าใจว่าชีวิตเรามีความทุกข์อยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อาจจะแฝงรูปมาในเรื่องของสุขเวทนาอาจจะมาเป็นตัวเป็นเป็นในเรื่องของทุกขเวทนาอาจจะมาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมาในเรื่องของภาษาที่ไม่น่าพอใจอาจจะมาในเรื่องของความแก่อาจจะมาในเรื่องของความตายอาจจะมาในเรื่องของการที่พลาดพลากจากสิ่งที่ต้องการมีทั้งนั้นมีทุกรูปแบบความทุกจะแฝงมาเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยชีวิตฉันมีความทุกนะแล้วต้องทํำยังไงกับความทุกนี้นี้คือความรู้ที่เราต้องทราว่าเราต้องทําความเข้าใจความทุกนี้ คืไม่ได้ให้หนีทุกข์แต่ให้ทําความเข้าใจในความทุกข์ว่าความทุกข์เนี่ยเราควรจะจัดการกับมันอย่างไรเพราะเรารู้ได้หลักว่าความทุกข์ฉันต้องทําความเข้าใจแต่มันยังไม่เข้าใจอ่ะก็ทําความเข้าใจมันจ้ะอันนี้เป็นเรื่องแรกในเรื่องของอริยสัจสนั่นคือเรื่องของทางสายกลางนอกจากเรื่องของทุกข์แล้วพระเจ้าก็จะพูดถึงเรื่องของเหตุเกิดทุกข์แต่ทุกอย่างมันมีเหตุทุกอย่างเกิดแต่เหตุแต่พระอัสสชิเนี่ยฟังอยู่ในที่นั้นเนี่ย อยู่ในหมู่ของพิกษุทั้ง5คนเนี่ยพระเจ้าพูดถึงทุกข์กัฟังไว้พระเจ้าพูดถึงเหตุเกิดทุกข์กัฟังเอาไว้พระเจ้าพูดถึงความดับไม่เหลือของทุกข์กัฟังเอาไว้เลือจึงจเป็นข้อมูลที่ให้ท่านพระอสศาชิเนี่ยไปบอกกับท่านพระสารีบุตรได้ว่าอ๋อปกติพระเจ้าเนี่ยดัดถึงทำใดทำหนึ่งเหตุเกิดของทำใดทำหนึ่งแล้วก็ความดับของธรรมดใดธรรมะหนึ่งแในลักษณะนี้เป็นข้อมูลที่ไปบอกกับท่านพระสารีบุตรก็ได้ฟังธรรมะจากตรงนี้แหละธรรมะจากกับปวตันสูตรนี่แหะ ฟังแล้วมีความเข้าใจว่าอ๋อทุกมีไอ้ของทุกก็มีแต่ซึ่งถ้าเราจะดับความทุกให้ได้เน่ยคุณต้องดับที่เหตุของทุกนั้นแต่คือไม่ได้ดับตัวทุกเองแต่ดับที่เหตุของความทุกเพราะเราดับเหตุของความทุกแล้วไอ้ความทุกนั้นมันก็จะดับไปได้แต่เราต้องทําความเข้าใจตรงนี้แหละว่าเราจะดับความทุกได้ก็ต้องดับที่เหตุของความทุกเราเข้าใจตรงเนี้ยชื่อว่าเข้าใจความทุกแตคืออาจจะยังดับทุกไม่ได้แต่ก็พยายามที่จะเข้าใจมัน เราเข้าใจแล้วเราไปดับเหตุของความเกิดทุกข์ความทุกข์มันจะดับไปได้แล้วเหตุของความเกิดทุกข์นมันคืออะไรเนี่ยพระเจ้าใช้คําว่าตัณหาซึ่งตัณหาพอแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็แปลว่าอยากนัคือความอยากแต่คาไทยที่เราใช้กันเนี่ยมันกินความกว้างาเช่นตื่นเช้ามาหิวข้าวหิวมไ้มหิวอยากกินอะไรวันนี้อยากกินโจ๊กไอ้ความอย า, อยากอย่างนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัณหาที่พาให้เป็นเหตุเกิดทุกข์ก็ได้ ลักษณะของตัณหาที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยพระเจ้าแยกาายแยะไว้มีอยู่3ลักษณะดังคือหนึ่งให้มีการเกิดใหม่หการเกิดใหม่นี่คือเป็นสภาวะใดาสภาวะหนึ่งขึ้นมาสภาวะในที่นี้ก็คือภพนั่นแหละแต่คือลักษณะที่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาความอยากเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนตรงนี้นเช่นตัวอย่างตื่นเช้ามาหิวข้าวคุณอยากกินโจ๊กแต่ถ้าอยากกินโจ๊กเพื่อที่จะดับเวทนาอันนี้ไม่ใช่ตัณหาหรอกมันก็ธรรมดาก็ดับเวทนาไปก็จบใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่า อยากกินโจ๊กแล้วฉันเป็นเจ้าพ่อโจ๊กฉันต้องกินโจ๊กเท่านั้นกินอย่างอื่นไม่ได้นะีมันจะเริ่มเป็นปัญหาละ่ะแต่ถ้าโจกมันไม่มีอันนี้เรียกว่าเป็นตันหามันจะนํามาซึ่งความทุกข์นี่คือลักษณะของเป็นไปเพื่อความเกิดใหม่นะเป็นพบเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาในะลักษณะของตันหาที่จะให้เป็นไปความทุกข์เนี่ยคือมันจะมีความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลินความกําหนัดด้วยอำนาจความเพลิน น, น, ล น, นั้นก็หมายถึงว่าจิตใจของเราเนี่ย เข้าไปกำหนัดมัวเมายึดถือสิ่งนั้นด้วยความเป็นตัวตนความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตรงเนี้ยจะทำให้สิ่งที่เราไปกำหนัดนั่นแหละมันจะกลายเป็นความทุกข์ของเราอย่างเช่นว่าถ้าเรากำหนัดในโจกมัวเมาผัพวพันใ น, นลนักษณะว่าต้องโจกร้านนี้เท่านั้นร้านอื่นไม่ได้โจกนี้ต้องใส่ขายด้วยนั่นคือมีความกำหนัดในตรงนั้นแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นความทุกข์ถ้าได้อย่างที่ไม่ได้หวังไว้ มีโจกอยู่แต่ไม่มีไข่ไม่มีบาต้มโกเอาเป็นเรื่องใหม่ไปะมีความทุกไปะละลักษณะอย่างที่3ที่เป็นตันหานั่นก็คือมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นเนั้นอารมณ์ใดๆที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยถ้าเราเพลินลุ่มหลงไปอันนั้นเรียกเป็นลักษณะของตันหาแนะตันหาไม่ใช่อารมณ์ตำหรังตันหาไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าไปรับรู้แต่ตันหานั้นเป็นกาวเป็นยางเหนียวที่มันจะทําใจของเราเนี่ยให้ติดในอารมณ์นั้นทําใจของเราให้ไป ยึดถือในผัสสะความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยมันต้องหลอกออกและต้องทิ้งมันไปเราจะเปรียบเทียบ ม, มีความเข้าใจขึ้นก็อย่างเช่นว่าถ้าเราเอามือไปแตะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าถ้ามือคุณมีกาวถ้าคุณมีกาวอยู่ทาอยู่ที่มือไปแตะอะไรมันก็ติดกันหมดมือที่มีกาวไปแตะสิ่งของมันก็จะติดหนึบมือนั้นก็เปรียบเสมือนกับจิตของเราสิ่งของ ก็เปรียบเสมือนอารมณ์บ้างความรู้สึกบ้างภาษาที่มาบ้างกาวที่มันเปื้อนมืออยู่เนี่ยก็คือตันหานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเรามีตันหาก็คือเปรียบเสมือนมือที่เปื้อนกาวหลังไปรับรู้สิ่งใดรับรู้อารมณ์ใดมันก็ติดหนึบหมดเหมือนมือที่เปื้อนกาวเนี่ยไปแตะสิ่งนั้นแตะสิ่งนี้มันก็เปื้อนมันก็สกปรกในเรื่องของจักคือทําป็นประเสริฐต่พูดก็คืออริยสัจสีอริยมังมีองแปดพวกเนี้ยที่พระเจ้าอธิบายไว้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการ ประกาศธรรมะเป็นครั้งแรกที่มีการบัญญัติแจกแจงเปิดเผยทำให้ตื่นแยกแยะออกให้เห็นและถึงสิ่งต่างๆออกมาในอริยสัจสีอริยมรรคมีองแ์8ทางที่ปฏิบัติแล้วไปไม่ได้ทางที่ปฏิบัติแล้วไปได้แยกแยะให้เห็นแจกแจงให้ทราบแล้วแต่ไม่ใช่แค่ว่าโต้ ค, คนอื่นแล้วชั้นชนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดับความทุกข์ได้จริงตัวนั้นมีพยานอยู่พยานที่รู้เห็นธรรมะ ทำเจ้าตัญหาให้มันลอกออกไปเหลือน้อยมากนั่นก็คือท่านโกฏัญญะท่านโกฏิยยะในที่นั้นพอรู้ข้อมูลอ๋อตัญหานี่มันต้องละอ๋อความทุกข์นี่ต้องทําความเข้าใจอ๋อไอ้มักแปนี่มันต้องทําให้เจริญทําให้มากแต่เข้าใจอย่างนี้เท่านั้นละ่ะพางเลยคาหวังและมีธรรมะจากสุเกิดขึ้นและมีความรู้เลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา พอมีความรู้ตรงนี้เกิดขึ้นนี่แหละคือลักษณะที่ว่าหมุนตามธรรมคือพระเจ้าบัญญัติธรรมปุ๊บพอมีการแยกแยะแจกแจงธรรมะให้เห็นแล้วนะคือปกครองธรรมะแล้ววันนั้นมีการปกครองธรรมะแล้วคนที่มาปฏิบัติตามธรรมก็ได้ประโยชน์ทันทีแต่อย่างที่ข้าพเจ้าพูดไว้ตอนแรกใช่ไหมพระเจ้าจะ ก, กระพัดปกครองเรากระสัดหัวเมือต่างๆแ ต, ต, ต่ใครที่มาขึ้นอยู่กับกระสัดหัวเมืองต่างๆเหล่านั้นจะเป็นใครก็ได้ จะเป็นประชาชนนักธุรากิจข้าราชการอะไรต่างๆที่อยู่กับบริษัทองค์นั้นๆ น, น, นั้นก็จะได้รับการคุ้มครองไปด้วยซึ่งในที่นั้นท่านโกัญญยก็มาอยู่กับธรรมะนั่นคืออริยามรรคมี่องแปดอยู่กับธรรมะเกเริยสัสสีก็ได้รับการคุ้มครองป้องกันแต่คือพระชาไม่ได้ปกครองสงฆ์แต่ปกครองธรรมะใครที่มาอาศัยธรรมะก็จะได้รับการคุ้มครองก็จะได้รับการปกครองไปด้วยพอท่านอนยกัญ ญ, กก ร, ญรู้แล้ว ก็ได้ฉายาใหม่เลยตอนนี้ไม่ใช่โกฏัญญาทั่วทัวไปนะจะมีคนที่ชื่อโกฏัญญะเยอะแยะในประเทศอินเดียใช่ไหมแต่โกฏัญญาองค์ไหนล่ะก็โกฏัญญาองค์ที่รู้แล้วนั่นแหละโกฏัญญาองค์ที่รู้ตามพุรูชาคนแรกนั่นแหละแล้วก็จึงชื่อว่าเป็นอัญญาโกฏัญญาอัญญาแปลว่าผู้รู้แต่โกฏัญญาก็เป็นชื่อของท่านก็คืออัญญาโกฏัญญาก็คือโกฏัญญาองค์ที่รู้นั่นแหละแต่นอกจากนี้ในวันนั้นในช่วง 3-4 วันนี่แหละ วันเป็นเดือน8ในช่วงนั้นเราจะพูดถึงเรื่องของริสสีเรื่องของเดียมะมีองแปดแล้วในหัวข้อของธรรมจักรกับปวัตนสูตรมันมีการปกครองธรรมะแยกแยะธรรมะให้เห็นละเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้เข้าใจตามมีคนเข้าใจตามแล้วด้วย1คนนั่คนคือแบบท่านโกฏิยะจากนั้นก็ติวเข้มกันต่ออีก 3- 4วันในเรื่องของการให้เห็นความไม่ใช่ตัวตนการที่มันเป็นอนัตตาการที่สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยได้ มันตั้งอยู่ก็เพราะเหตุปัจจัยมันยังอยู่ถ้าเหตุปัจจัยมันดับไปมันก็ดับไปแต่ซึ่งตรงเนี้คือความเป็นอนัตตาเราพูดถึงเรื่องอนัตตาลักขณสูตรซึ่งก็แสดงอยู่ที่นี่เหมือนกันในที่ป่าเป็นที่พักของกวางของกรอกในอีกสองสามวันเพื่อติวเข้มให้เราภิกษุอีก4รูปในที่นั้นได้มีความเข้าใจมีความเข้าใจในเรื่องของธรรมะได้มีความกุ้มครองที่เกิดขึ้นจากธรรมะในใจของท่านเหล่านั้นเหล่านั้น และที่ข้าพเจ้าเรียกว่าเป็นการติวเข้มเนี่ยนะก็เพราะว่ามีคนอยู่แค่ห้าค น, นบอกสอนให้นั่งสมาธิบ้างให้ฟังธรรมะบ้างทําความเข้าใจตรงนี้ถามตรงนั้นทบทวนกันทําความเข้าใจกันพระพุทธเจ้าถามเราปัญจ ว, วัคคีเนี่ยว่ารูปเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงนะเราปัญจ ว, วัคคียก็ตอบแต่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราก็เป็นทุกข์สิสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นคุณแล้วหรือหนอที่จะเห็นตามว่าอันนี้เป็นตัวเรา อันนี้เป็นของเราเป็นตัวตนของเราแต่เราภิกษุนั้นก็ตอบว่าไม่ควรอันนี้เป็นลักษณะการติลเข้มนำทมฝังมีการถามมีการตอบมีการทบทวนกันให้มีความเข้าใจากันอย่างแจ่มแจ้งนต่ไม่ใช่แค่รอบเดียวหลายรอบถามตอบอย่างนี้แล้ว่บางทีต้องใช้พลังงานมากก็ต้องกินข้าวดำฝังแต่กินข้าวนั้นก็มีภิกษุ2รูปไปบิณฑบาตให้ภิกษุ6รูปฉันรวมทั้งพูะเจ้าด้วยแต่วันทีก็3รูปไปบิณฑบาตให้6รูปฉันเพราะฉะนั้นการติวเข้มตรงเนี้ย เกิดขึ้นในช่วง 2- อสามันนั้นเราจะเห็นว่าไม่ใช่เป็นการที่มาถูกเถียงกันเพื่อให้มีความสนุกปากหรือว่าเพื่อที่จะเออฟังแล้วมันดูดีไม่ใช่แค่นั้นแต่เป็นการทำเนี่ยเพื่อให้เข้าใจธรรมะพเพราะเข้าใจธรรมะหมุนไปตามธรรมะได้ไปตามทางของธรรมะนี้ได้เราจะได้รับการรักษาซึ่งเราภิกษุ ท, ทั้ง5รูปที่อยู่ตรงนั้ น, น, นก็ได้รับการรักษาทุกคนที่นั้นได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์หมดหลังจากที่พูดถึงเรื่องของธรรมะจกกักรวาตนาสูตร พูดถึงเรื่องของอนัตตาลักษณะสูตรเนะรารู้ทำเห็นทำเข้าใจทำแล้วติวเข้มกันในช่วงสองสวันนี้เวลาที่ท่านฟังฟังธรรมะนี่ให้นึกถึงเหตุการณ์ในธรรมะคฟังรพระเจ้าอยากให้ท่านฟังนึกถึงเหตุการณ์การที่พระเจ้าติวเข้มนะครับเราวิสุทั้งหะเพื่อให้มีการเข้าใจธรรมะเพื่อให้มีการที่ปฏิบัติตามตามได้เพราะเราถ้าปฏิบัติตามทำแล้วเราจะรับการรักษาในะอินทรีย์ของแต่ละคนมันแก่กล้าไม่เท่ากันการรู้ทำความเข้าใจปฏิบัติตามตามได้คนเราก็ ทำได้ไม่เท่ากันทำได้ระดับไหนเราจะได้รับการรักษาในระดับนั้นอย่างคนที่ทำได้ระดับของความเป็นครวาตางเช่นว่ามีการขยันขันแข็งมีการทำมาหากินมีการรักษาทรัพย์มีการดูแลมารดาบิดาอย่างดีมีความที่อดทนปฏิบัติหน้าที่ต่อสามีภรรยาปฏิบัติหน้าที่ต่อครูอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ต่อเจ้านายลูกน้องอย่างดีเนี่ยคุณจะได้รับการรักษาในหมวดนั้นๆนน ต, นตันทีเพราะว่าชื่อว่าคุณปฏิบัติตามธรรมคุณเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลที่ มุนไปตามธรรมะของบรรดาชาแต่เวลาเราปฏิบัติไปทําไปเนี่ยแน่นอนปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆที่มันจะเข้ามายากบ้างง่ายบ้างก็มีเหี๋ยวเมื่อเราพิสูจ ป, ปัญจวกีนั่นแหะไม่ใช่ว่าฟังทำครั้งแรกปุ๊บมันจะเก็ตเลยอุปสรรคครั้งแรกที่บุคคลเหล่านั้นเจอก็มีเดี๋ยความไม่ลงใจความไม่เชื่อแั่นก็เกิดขึ้นไม่ยอมฟังทำเดี๋ยฟังแล้วแมมบรรุกแค่คนเดียวขั้นตามมีร่างหากโซดบาบันที่ต่างหากเดี๋ยวก็ยังไม่เข้าใจเต็มที่เดี๋ยวต้องติวเข้มกันอีกหลายวัน จนกว่าจะได้บรรลุเป็นพระอรันกันทั้งหมดแล้วก็อีกหลายวันตัดจากนั้นซึ่งนี้แสดงเห็นถึงความที่ท่านแต่ละท่านเนี่ยจ ะ, จะต้องเจอปัญหาอุปสรรคใดๆก้าวข้ามให้ได้ผ่านพ้นให้ได้เพื่อที่จะมาปฏิบัติตามดำให้ได้แต่ท่านบุฟังมีคําถามข้อเสนอแนะใดๆครับเช้ายินดีที่จะตอบให้โดยส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตําำบลดอนไหายโศกอํเาเภอหนองหานจังหวัห ด, ดอุดรธานีเยี่เป็นไใบสนียบัตรหรือว่าเป็นจดหมายก็ได้นะ แต่สะดวกทางเว็บไซต์เข้าไปที่รร com. p u r e t h a m, m a c o m p-u-r-e-d-h-a-m-m-a.com กับชาวพระมหาภัยบุ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโฉกเชิญบอล